ตั้งแตุ่ชนดบับิษัตทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาราระกัดถึเรื่องวิชาสามต่อไปความจริงวิชาสามที่เรายะฝึกนี่จะ็นวิชาสองเท่านัน้นระดับต้นในช่วงแห่งชาลโลกีก็มีอยู่ทชาสองขึ้นหนึ่งทิจุภิยานสองปุเพนิวาสารุสติยาน ในเรื่องของการมีทีฝึกที่จุคุยานก็ว่ากันมาอย่างเข้าคร่าวแต่ถ้าว่าที่พูดมาแบบเข้าคร่าวนี้ก็เป็นการหนักมากแล้วคนดีเขาปฏิบัติจริงจังอ่ะไม่ได้รับฟังมากอย่างนี้เพราะว่าท่านเอาดีกันท่านจับเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าชีวิตเช่าแรกกัน ว่าความดีเพียงเท่านี้ถ้าไม่ได้ให้มันตายไปถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีกำลังใจเข้มแข็งอย่างนี้จะว่าแต่ทิพยคุยานเลยอวิญญาหกฤปนิส ม, มิทา ย, ยานความเป็นพระอรหันย่อมเป็นของไม่ยากสาหรับธมบรณดาท่านพุทธบริษัท ความจริงการปฏิบัติความดีไม่ต้องลงทุนแม้จะอยู่ในม้งแล้วก็ทำได้อยู่ในกลางไร่กลางนาแล้วก็ทำได้กำลังไถนากำลังเกี่ยวข้าวกำลังหาข้าวกำลังใด่กกํากำลังจูงควายกินน้ำกำลังแบกหับของไปขายเดินไปรับปรศการนั่งอยู่ในเก้าอี้ที่ทำงานกำลังทำการค้าขายก็ทาได้ทุกเวลา ไม่จำเป็นถ้า ต, ต้องไปหาเวลาพิเศษที่ไหนงานทุกอย่างมันมีเวลาว่างหนึ่งนาทีสองนาทีจิตจับทันทีให้มันชินทำอารมณให้ชินอย่างนี้ประเดี๋ยวก็ได้ที่ไม่ได้จริงๆในขะี้เกียจเอถ้าภาษาโบราณเขาเรียกกันว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอ ไม่มีจิตใจที่เอาจริงเอาจังอะไรในด้านบารมีสิบประการหาอะไรใช้ไม่ได้เลยเมื่อโดยเฉพอะอย่างยิ่งในที่บาทสี่เป็นเรื่องสำคัญฉันพระมีความพอใจพอใจที่จะปฏิบัติอย่างนั้นเวลาไหนที่เป็นเวลาว่างทำทันทีททท เวลาทําก็บอกแล้วไม่ต้องไปนั่งหลับตาปีอดเชบ้านหลับตาก็ได้ลืมตายก็ได้นึกถึงคำารรนานึกสัมภาพที่เราต้องการไม่เห็นยากลาบากอะไรเราไม่ปล่อยให้รมของเราว่างไปโดยร้ายประโยชน์ใช้เล็กใช้น้อยกระจุงก็จิงกระจุงก็ะจิมปเดี๋ยวมันก็ได้ดีมันดีเร็ว เฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาเดินไปทํางานยิ่งดีใหญ่ตอนเดินนี่ จ, จับอารมณ์ให้มันอยู่ที่ใจภาพอะไรที่เราจับไว้ให้มันทรงอยู่หรือคำภาวนาที่ภาวนาไว้ให้ภาวนาอยู่เป็นอันว่าเราไม่ปล่อยจิตของเราให้ว่างไปในด้านไม่สดใสไปในด้านของอกุศล <c oughs> อารมณ์จิตไม่ก็ได้ตอนนี้เวลาใช้เวลาใช้ทิพย์โยคยาน ถ้าใหม่ๆก็ยาเรียกว่าอยาปรมามไมเกินไปหรืยว่าอยาทนงเกินไปเราเคยทำใจของเรายัางไงจิตอารมณ์ทรงตัวอยู่และพยากรณ์ไม่ผิดทุกครั้งที่ต้องการจะพึงรู้ต้องทำอย่างนั้นอย่างเช่นเราจับเตโชกสินก็ดี โอทาแต่กสิงก่อนดีอะโลกสิงก่อนดีพุทธานุสติคือรูปพระพุทธเจ้าก็ตามรูปพระพุทธรูกหรืออะไรก็ตามถ้าจิตก่อนจะใช้ความรู้จิตจับอารมณ์นั้นอยู่ให้ภาพนิมิตทรงัวอยู่จำใสขนาดไหนแล้วไม่ผิดพลาดเราก็ต้องทำอย่างนั้นทุกครั้งการทำอย่างนั้นใหม่ๆอาจจะช้าแต่ถ้าว่าไม่เป็นไร พอนานนานไปเมียการคล่องนึก ป, ปับภาพเกิดปุ๊บดูได้ปรับรู้ได้ทันทีนักๆเข้าก็ไม่ต้องพอจิตอยากจะรู้ป ภ, ภาพนั้นเกิดปั๊บภาพนั้นหายไปภาพที่ต้องการเกิดรู้ได้ทันทีเรื่อง แ, แค่ขนาดจิตเดียวแต่ได้ว่ายังไม่คล่องต้องคุมอารมณ์ให้ดีแต่คืนภาพนี้ไมิจะเกิดก็ทันทีทันใดนั้นเสียแน่ ไม่เช่าปลาทานก็กินนี่ตามแบบท่านบอกว่าอยากจะดูภาพนรกจับนิมิตก่อนจับนิมิตก่อนนี่เป็นของดีภาพจะแจ่มใสจับให้ภาพแจ่มใสเท่าที่แจ่มใสจะเพลิได้แล้วก็นึกต่อไปว่าต่อ น, นี้ไปเราต้องการดูนรกขุมไหนล่ะก็เลือกเป็นคุ้มๆแต่ขอดูนรกอย่างเดียวแล้วก็มันเป็นทะเลเพลิงฟึกไปหมด เลเาเ อ, เอาเรื่องของเราลัไไม่ได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนทำใจให้เป็นกลางเสก่อนทำจิตให้เป็นสมาธิอารมณ์แนบสนิทอย่าไปนึกว่าเขาเคยดีเคยชั่วมาก่อนอารมณ์นั้นต้องทิ้งไปทันทีนี่ก็ทรงอารมณ์ความดีเข้าไว้เพื่ออารมณ์เป็นสมาธิเป็นเอ ก, ก, ะกะตาอารมณ์อารมณ์เป็นกลางจับภาพที่มิถิจมใส แล้วต้องการดูว่าคนนั้นเนี่ยเขาตายไปแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนภาพนั้นจะปรากฏกับจิตไม่ใช่ปรากฏกับตาแต่เกลือถ้ามีความชำนาญจริงๆก็เหมือนกับปรากฏกับตาถ้าเวลาคนมาเกิดสัตว์มาเกิดเราก็อยากจะทราบว่ า, าคนนี้เดิมทีมาจากไหนก่อนจะมาเกิดที่นี่ภาพนั้นก็ปรากฏ อย่างนี้ท่านเปลี่ยนไปเรียกจุดตับประสาทิญญาก็คือทิพย์ยูคุยานนั่นเองเนี่ยถ้าจะต้องการใช้ทิพย์กยูุยานจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราต้องการเห็นสัตว์นรกก็นได้เราต้องการคุยกับสัตว์นรกก็นได้เราต้องการคุยกันในนิริยาบาลก็นได้เราต้องการเห็นเปรตต้องการคุยกับเปรตก็ได้ ต้องการเห็นบบสุรกายคุยกับสุรกายคนได้ต้องการเห็นสัติระชันคุยกับสัติ <c oughs> ตระชั น, น, บบนาายยคนไ ด, ได้ต้องการเห็นคนและสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่เราก็เห็นได้แล้วก็รู้ได้ต้องการเห็นเทวดาอยากจะคุยกับเทวดาเราก็ทําได้ต้องการเห็นพรหมแลากจะพูดกับพรหมเราก็ทําได้อเอาแค่พรหมก่อน เพื่ออารมณ์ชาในแค่อารมอย่าเพิ่งย่องไปพระนิพพานถ้าอารมณอย่างนี้แต่ก้าวก็ไปสู่พระนิพพานเราสวยแล้วแค่ชาโลกีอย่าเพิ่งพูดกับเรื่องพระนิพพานแห้บางคนสินห้ามันยังไม่คบเถียงเรื่องพระนิพพานเป็นเอ็นจ้อไปเอ็นคุยกจะมงโงเชิงรู้นิพพานอย่างนั้นอย่างนี้ ใกล้ตัวเองจะตกมาลอกคุไม ouais 5, ไหนยังไม่รู้เลยในเมื่อสินห้ามันไม่ครบมันตกมาลกกันแน่นี่จะตกมาล็กคุมไหนยังไม่รู้ย่องจะไปรู้เรื่องนิพพานแม่น่าสลดใจจริงๆน่าสงสารบางทีโอโหคุยขู่เคยคุยอาจารย์ทันไลาแพ้มาเยอะแล้วนี่เคยได้ฟัง ไล่สะแเพยมาหาจุดจดไม่ได้ฟังไปฟังมาไอ้ท่า ก, ก็เลยคิดในใจเออคนอย่างนี้ถ้ามาคุยกับเราเข้าเราก็แพ้เหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแกไม่ได้รู้อะไรเลยแกคุยออกนอกลู่นอกทางไปใครเขาอยาสู้แต่แบบนี้ไม่มีใครเขาสู้หรอกแกไม่ได้เข้าทางไถไปทางโน้นไถไปทางนี้ หาจุดนี่แน่นอนหาความดีไม่ได้แล้วใครเขาจะคุยกันก็รวมความพูดง่ายๆปะถ้าเราจะไปคุยกับคนบ้าเพื่อเอาประโยชน์มันจะได้ประโยชน์อะไรคนคนนั้นยังบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงบ้าในโลกกระทำบ้าลาบว่ายศบ้ารุนเเสนบ้ า, ส, บาสุขถ้าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าในขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงทิพย์กุยยาน ไปคุยกับคนบ้าแบบนั้นเราก็บ้าไม่ทันเขาเพราะเรามันเริ่มปลดบ้าซะแล้วนี่ก็เป็นอันว่าไม่ต้องคุยกันดีกว่ายอมแพ้เขาไปซะเลยตามพระโบราณนังกล่าวว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมนันคือแพ้ยอดโดยไม่ยอมทำความชั่วด้วยอย่างนี้เป็นพระหมายถึงว่าเป็นผู้เป็สด คนชนะโดยกำลังของความชั่วเป็นมันมันแป่ผู้พ่าความดีเราก็ยอมแพ้ซะดีกว่านี่เป็นอนุว่าอารมณ์รู้ในด้านทิพยคุยานถ้าจะใช้กันจริงๆมันใช้ได้ทั้งแปดอย่างเออหนึ่งทิพยคุยานถ้าเราได้จนคล่อง วตามที่พูดมือนแล้วต้องการจะเห็นสัตว์รกคนได้คุยคนได้อยากจะรู้ว่าแกทำไมจึงเกิดเมื่อเป็นมนุษย์แกทำอะไรมราจึงมาในในตก น, นรกแบบนี้แล้วก็ถามเขาได้แล้วก็พูดเขาได้ <c oughs> ตัวอย่างที่พระมาหามคขลานะท่านกับปฏิบัติอย่าง น, นี้เป็นปกติแต่นั่นท่นานใช้ปัญญาสมาบัติย่องลงไปทั้งตัวไม่ใช่ที่ปรกคุยยาน แต่ทิยู่ขุยาณิองสมเด็จพระพิชิตธมานก็บอกว่าทาได้เดือท่านที่ได้กันมาแล้วในชาติปตุยบันนี้ก็มีทมถีไปท่านก็ทำได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านทำไม่ได้อยากจะคุยกับเปรตอยากจะเห็นเปรตอยากจะเห็นัสุดรกายคุยกับสุดรกายนี่เป็นเรื่องของทิฏฐุขุญาณ คำว่าทิพตัวนี้เป็นการเห็นเห็นแล้วก็คุยกันได้ถ้าสมาธิดีถ้าสมาธิทรงตัววินานเห็นได้แต่คุยไม่ได้คุยได้แต่คุยนานไม่ได้หายไปซะแล้วต้องตั้งท่ากันใหม่มการจัดตัง้งเวลาของสมาธิเป็นของสาคัญ <c oughs> เป็นอันว่าลักษณะการเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าทิพยคุยานการรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหน เกิดบนสวรรค์เกิดเป็นพรหมเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรกเกิดเป็นสุรกายเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงชางเกิดเป็นคนแล้วว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดวันนี้เดิมทีมาจากไหนเรารู้ต้นสายปลาเหตุแล้วก็ใช้ทิพยิคุญานนั่นแหละเป็นเค ร, รื่องรู้แต่ว่าท่านเรียกว่าโจตูปาปาติยานรู้การเกิดและการตายของสัตว์ ด้อยการมาเกิดและการตายไปอยู่ของสัตว์ก็ความจริงก็เป็นทิฏฐิขุยานนั่นเองตอนนี้ไมายานหนึ่งที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานยานอันนี้รู้สึกว่าจะยุ่งสักนิดมาใ้คนต้องการกันเหลือเกินอย่าจะรู้ว่าชายก่อนเป็นอะไรกันบ้างเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรฉาินั้นเป็นอะไรฉาดนี้เป็นอะไร แต่ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องกลวยๆสำหรับท่านที่เอาจริงเอาจังกล้วยจริงๆกล้วยน้ำว้าสุกสุกก็ไม่งอมจัดนักยังไม่ดิบจัดกำลังอร่อยๆแต่สำหรับท่านที่ไม่เอาจริงนี่รู้สึกว่าหนักจัดไปหน่อยถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก็กลวยน้ำว้าดิบถ้าเป็นกล้วยสุกก็เห็นจะต้องเป็นกลวยทนี้กินยาก ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจเท่านั้นถ้ากําลังใจของเราดีที่อย่างเดียวมันก็หมดเรื่องมันก็ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรน่าวิตกกลางบกเพนิวาสานสุสติยานแปะะลว่ารลึกชาติหนนหลังได้ตามแบบฉบับท่านบอกให้พยายามนึกถึงเมื่อวานนี้ทำอะไรบ้าง เมื่อวันอ น, นี้ทำอะไรบ้างเมื่อเดินก่อนทำอะไรบ้างเมื่อปีกรอนทำอะไรบ้างถอยหลังไปจนนึงชาติที่หนึ่งที่สองที่สามแต่มวลไล่เบี้ยอย่างนี้ก็ไม่ทันกินถ้าจะให้ทันจริ ง, รงๆเขาต้องปฏิบัติกันแบบนี้เป็นอนุนว่าถ้าต้องการจะทราบว่าชาติไหนเราเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติจะไปเอาอย่างนั้นไม่ได้ ที่เมื่อใช่ก่อนในชาตินี้เราเคยเกิดเป็นอะไรทำใจมันสบายอย่าเข้าข้างตัวเอาจิตกขตัง้งขึ้นเป็นอ้ิป็นเอกราตอารมณ์ให้สงบสงัดจริงๆเมื่อจิตสบายถึงที่สุดคลายจิตมาถึงอุปจารสมาธิก็คือใช่รมจิตคิดว่าใชิก่อนเราเป็นอะไรหนออารมณ์จิตก็จะบอกทันที อารมณ์จิตครั้งแรกบอกอยังไงต้องเชื่อตามนั้นทันทีอย่าใช่รมคิดใครคนถ้าใช่รมคิดใครคนไม่จริงหรือไม่จริงตัวนี้พังแล้วโอปาทานริงเป็นนั้นว่าถ้าลองฝึกอยู่แบบนี้บ่อยๆถ้ามันฝืดทางได้ดีทาําจิตให้สบายก็นึกไปว่าไอชาตินั้นเราเคยเป็นอะไรเนาะชาติที่สี่ สภาวะมายปลายกฏบอกความรู้สึกก็เชื่อตามนั้นแล้วต้องหาเหตุผลว่าในชาตินั้น่ะเราเคยทําอะไรบ้างเป็นคนในมินิสายใจคอเป็นยังไงถ้ารู้ได้ตามนั้นก็วิสุทธิความจริงในสายใจคอชริยาในกี่ชาติกี่ชาติกับชาตินี้มันคล้ายคลึงกันหมดเคยเปื้เป้าเปื้เป้าอย่างคนพูดให้ฟังนี่ก็เปื้เป้าเปืเป้ า, ป า, ปามาทุกชาติ สมุตานนะดียาหาอุอตริมนุสธรรมเป็นอนันว่าที่พระพุทธเจ้าเร่งกล่าวว่าพระสาวกทิ้งนิสัยไม่ได้มันก็ทิ้งกันไม่ได้ในทุกชาติเป็นอนันว่าถ้าเราต้องการปรเพรนิวาสานุสติยานก็ทามันเรื่อยๆทำใจสบฐายเห็นขอทานนี้กว่าเอ อ, อเราเคยเป็นข้อทานไหมเนอะ ถ้าจิต is, มันสบายภาพถ้าเราเคยเป็นเข้อฐานจริงภาพขอเข้อฐานมันก็จะปรากฏถ้าเราไม่เคยเป็นภาพนั้นมันก็ไม่ปรากฏเคยเห็นสุนัขเดินมาเราคิดว่าโอ้นี่เราเคยเป็นสุนัขมาหรือเปล่าถ้าจิตมันบริสุทธิ์จริงๆในเวลานั้นคิดว่าจะกิเลสจริงๆมันก็จะปรากฏภาพถ้าเราเคยเป็นสุนัขเคยเป็นมาแล้วกี่วาระรูปร่างลักษณะเป็นยังไงมันจะบอกความสุขความทุกข์ทั้งหมด ได้เคยเห็นคนที่เขารับราชการมีแมง่งมีตำแหน่งมีธนูเบรอเร้อจิตเป็นสุขสบายไม่มีกังวลใดๆคิดว่าเราเคยเป็นอย่างนี้บางไหมหนอชาติไหนแต่งตัวยังไงตำแหน่งอะไรจิตมันก็จะบอกทันทีภาพจะปรากฏชัดกิจยาในสมัยนั้นมันจะปรากฏ นี่เรียกว่าเป็นวิธีใชอารมณ์จิตของตัวเองในด้านปกปนิวาสารสติยานหรือว่าจุตูปปญญาติยานหรือว่าทิพยุคยานก็ตามต่อไปพูดกันใช่หมดอาตีตางสิยานเดี๋ยวก่อนเจโตปริย า, ยานการรู้ว่าระนาจิตของตนนารู้วาระนาจิตของบุคคลอื่น การรู้วาระน้ำจิตของตนนี้มีความสำคัญให้สมมติอารมณ์จิตขึ้นมาเป็นสามสีเคยจิตอารมณ์ชั่วมีความก่มจิตเป็นทุกข์มีสีดำแลอสีห ม, ม, มัวอารมณ์แจม่มใสความดีใจเกิดโดยหน้าธรรมปีติหรือถ้าเรียหน้าปีติคือความดีใจจิตมีสีแดง จิตที่มีอารมณ์เป็นเอกก็ตารมเป็นอุเบกขารมจิตวางเฉยมีสีใสฝึกดูจิตขตองตนเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นฝึกดูจิตขตองตนอารมณ์จิตขตองตนว่ามันมีสีอะไรถ้ามีสีอะไรแล้วก็สีดำหรือว่าสีแดงก็ดีจงเป็นนามว่าจิตนี้มันเร็วมากจิตอย่างนี้เขาไม่ใช่เป็นจิตเรวมาก ต้องเป็นจิตสีใสถ้าจิตสีใสเราจึิงจะใช้ถ้าสีไม่ใสสีแดงมันดีใจค้นได้ดีใจเลยดีใจโด้วยมิตรและคำชมใช้ไม่ได้เรวเป็นจิตนี่เลว็วไม่ควรคบถ้ามันเป็นจิตมัวมันเป็นทุกข์ไอจิตที่มันจะเกิดเป็นทุกข์ได้พระปาฐานยิดมันโนยยึดมันนี่ใช้ไม่ได้มันจิตเร็ว ก็ในโลกนี้มันมีสภาวะเป็นธรรมดาทั้งหมดจะไม่ยึดถือว่านั่นเป็นเราเป็นพวกเราเ้าต้องการให้มันทรงตัวมันไม่ได้นั่งอยู่ทุกวันทำความดีเกือบจะตายต้องการให้คนสรรเสริญทุกความรัมันก็ไม่ได้เหมือนเราทำความดีตามระเบียบอาจจะไม่ถูกใจผู้บังคับบัญชา พราว่าผู้บังคับบัญชาท่านบางท่านท่านไม่อยากดีท่านอย่าใช้ลุน้องโกงเข้ามาให้กิน <c oughs> อยากแก่งทุจกกริตจิตไม่ชอบอย่างนั้นท่านอยิง่งจะฟุ้งซ่านยิ่งจะหอใจถ้าเราทําตามนั้นได้ท่านชอบท่านก็ให้รางวัลอารมณ์เราก็จะแจ่มใสแต่ว่าเราทําอย่างนั้นไม่ได้ท่านไม่ชอบใจถูกด่าถูว่ารวมขุนมัวนี่จิตยึดมากเกินไปไม่รักษาระเบียบในไหจิตเลวใช้ไม่ได้ จะต้องรักษาไว้จิตอย่างเดียวคืออารมณ์ผ่องใสเท่านั้นความใสาสาของจิตเหมือนแก้วที่ยําละล้างแล้วได้ดีนี่ได้จิตดวงนี้ปลายกดขึ้นก็กนแสดงว่าจิตเป็นอุเบกขาจิตนี่สื้อผ า, าของจิตที่จะเข้าถึงว่อเบกขาจิตจะเป็นรนดับจิตขั้นดีท่านพิจารณาอย่างนี้เป็นข้อเปรียบเทียบหรือว่าเป็นอารมณ์ที่เราสร้างก็ได้ เพราะว่าถ้าจิตของบุคคลพุ่นหนาแน่นไปด้วยกิเลสจิตที่ไม่มีเอาดีในเจตวปฏิยายานมองไปแล้วเหมือนก็ก้อนเนื้อธรรมดาแต่มีสีไม่สวยก็เหมือนกับเนื้อเนื้อที่เขาแร่แล้ ว, ลวน่นเน่มันไม่ได้ความอะไรบางทีก็ดำบางทีก็แดงไอ้แดงก็เหมือนกัเนื้อแดงแดงนะดีใจ ไอ้ดำดำมัมัวมันก็เสียใจเร่าร้อนใจมันก็ดีใจก็เสียใจมันก็เลวเหมือนกันดีใจในโลกีวิสัยมันก็เลวเสียใจในโลกีวิสัยมันก็เลวรวมความในจิตนั้นท่านจิตที่มองแล้วสภาพเหมือนกันเนื้อสดเลวหมดเป็นจิตเลวเป็นจิตทสินานดันไม่ไดูกิเลส จ, จิตที่ไม่ประกอบเป็นความดีนี่ต่หกว่าท่านวอนั้นเป็นผู้ทรงฌานโลกี และเราก็ได้ดูพวกเราเองสําคัญเราก็เขาเหมือนกันไม่ต้องพูดพกูดกับใครก็เหมือนกัน <c oughs> แต่ได้ทานโรกีเข้าเข้าเข้าขัา้นถึงบรโถมอิชานจิตจะียใครกับแก้วหุ่มเนือมันก็คิดเอาไว้แล้วกันหนึ่งในสี่ข้อความหนาเพราะแก้วหุ่มเนือข้างในเป็นเนือข้างนอกเป็นแก้วหุ่ม แค่เนื้อแล้เนี่ยมันกลายเป็นแก้วก็เป็นแดงในสี่แต่เป็นชาตที่สองก็เป็นแก้วก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นชาตที่สามก็เป็นแก้วก็เป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตถ้าเป็นชาตที่สี่จิตจะใสเหมือนแก้วทั้งโลกทั้งดวงอย่างนี้จัดว่าเป็นจิตข้นชาติสี่มีเอกคตาโกเบขาเป็นปกติจิตดวงนี้ต้องจําเอาไว้ ว่าต้องให้มันทรงอยู่ตลอดเวลาถ้ามันทรงอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องทิศจุฬุญัยโหเป็นง่ายเหลือเกินยิ่งว่าปอกรลวยเข้าปากแต่แต่ว่าถ้าจิตเข้าทั้งจุดนี้แล้วนะท่านที่มีความรู้ในขั้นนี้จริงๆท่นบอกว่าถ้ายังใช้อารมณ์จิตของตนเพื่อรู้อยู่ท่านบอกว่าใช้ไม่ได้ต้องหาทางเข้าถามถึงพระ ถามพระกันตอนไหนหยับภาพนิมิตพระองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นเป็นบรรทัานเรียกว่าภาพพระพุทธนิมิตจับและเวลาต้องการอยากจะทราบอะไรก็ถามพระพระบัญชาการมาอย่างไรเป็นคำตอบที่เราจ้ปรากฏรับเองแล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงต้องจำไว้เลยทีเดียว ว่าพระลักษณะนี้ที่เราเห็นเราถามแล้วทรงพยากรณ์ตรงตามความเป็นจริงทุกการจำภาพกันไว้ถ้าทำอย่างนี้จนชำนาญก็เลิกฝึกพิธีอืน่นต้องการอะไรก็ถามพระต้องการอะไรก็ถามพระอาการอย่างนั้นจะปรากฏว่าพบกับความจริงทุกอย่างอรหบบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสาหรับคืนวันนี้หรือววันนี้มองเวลาก็หมดซะแล้วนี่ เรื่องสองในวิชาสามยังไม่จบเอารอฟังวันหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทั้งหลายทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศารเสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบรุ์แล้วพระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟังได้โปรดบรลุทธิำนั้นในชาติปัจจุบันนี้โดยฉับทันเถอดสวัสดี